พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองกาเกจุปะมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเรื่อยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเกตกรสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระโมลิยะพั ค, คุณนะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลาท่านพระโมลิยะพัก ค, คุณนะ อยู่คุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ถ้าภิกษุบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านพระโมคิยาภคคุนะท่านก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่าออธิกรณ์ขึ้นก็มีข้อนี้หมายถึงการโจทย์หรือกล่าวหากันด้วยอาบัติวาด้วยการละเมิดสิกขาบทอันหนึ่งถ้าภิกษุบางรูปติเตียนท่านพระโมลียาภคกุนะ ต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็ผ่ากันโกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับเกาะอาธิกรขึ้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงเรียกมาสอบถามว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโมริยะพัคุณนะก็ยอมรับว่าจริงตามนั้นพระผู้มีพระภาค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 เพราะฉะนั้นแม้ถ้าภิกษุบางรูปจะพึงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะและวิตกบอันอาศัยเรือนอาศัยเรือนข้อนี้หมายถึงอาศัยกรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแม้ในข้อนั้นเธอควรสำเนียบอย่างนี้ว่า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 เธอก็ควรละชันทะละวิตกอันอาศัยเรือนเสียเธอกวรสัมเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจากไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจกอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเธอกวรสัมเนียกอย่างนี้แลภักคุณนะเพราะฉะนั้น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 เราฉันอาหารมื้อเดียวสำหรับการฉันอาหารมื้อเดียวข้อนี้หมายถึงการฉันอาหารในเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงวันแม้ในระหว่างเวลานี้ถ้าภิกษุฉันอาหารสิบครั้งก็ถือรวมในความหมายว่าฉันอาหารมื้อเดียวเราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่ามีอาภาษน้อยมีความลำบากกายน้อย มีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกมาเถิดแม้พวกเธอก็จงฉันอาหารมื้อเดียวเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นรถที่เทียมด้วยม้าอาชาหนซึ่งฝึกมาดีแล้วล่นไปตามทางใหญ่สีแปร่งบนพื้นราบเรียบโดยไม่ต้องใช้แส้ เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดม้าที่ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับแซ่ด้วยมือขวาเตือนม้าให้วิ่งตรงไปหรือเลี้ยวกลับไปตามถนนที่ต้องการได้ตามความปรารถนาแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ต้องพราหมณ์สอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นแม้เธอทั้งหลายก็จงลักกุศลละธรรมจงทำความภาคเพียรในกุศละธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เธอทั้งหลายก็จะถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายป่าสาละอันกว้างใกล้บ้านหรือนิคมป่านั้นรกไปด้วยต้นละหุ่ง บุรุษบางคนหวังดีหวังประโยชน์และหวังความเจริญเติบโตของต้นสาละนั้นก็จึงตัดหน่อต้นสาละที่คดซึ่งคอยแย่งอาหารแล้วนำออกไปทิ้งที่ภายนอกแผวถางภายในป่าให้สะอาดเรียบร้อยคอยบำรุงรักษาต้นสาละเล็กๆซึ่งตรงแข็งแรงดีไว้อย่างดีด้วยการกระทำดังกล่าวมานี้ต่อมา ตาไม้สาระนั้นก็เจริญงอกงามไพ่บูนขึ้นโดยลำดับแม้ฉันใดแม้เธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจงละอกุศลธรรมจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายก็จะถึงความเจริญงอกงามไพ่บูนในธรรมวิ น, นัยนี้เรื่อง นางเวเทหิกาบรรดาโทรศักภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตรีนี่แลได้มีหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเธอมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นและเธอมีสาวใช้ชื่อกาลีเป็นคนขยันไม่เกียจคร้าน จัดดกาารงานีต่อมาสาวใช้ชื่อกาลีได้มีความคิดว่ากิตติศัพท์อันงามของนายหญิงของเรากระจรไปว่าเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นนายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏหรือว่าหล่อนไม่มีความโกรธอยู่เลยหรือว่านายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏ เพราะว่าเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะต้องทดลองนายหญิงดูวันรุ่งขึ้นนางกาลีก็แกล้งตื่นสายไปยิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาได้ตวาดถามนางกาลีว่าทาไมจึงตื่นสายนางกาลีตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าคะ่ะนางจึงตวาดกลับว่านางชาติชั่วเมื่อไม่มีอะไรทาไมจึงตื่นสาย แสดงความโกรธไม่พอใจทำหน้านิ้วคิ้วขมวดลำดับนั้นนางกาลีได้คิดทดลองนายหญิงให้ยิ่งขึ้นไปอีกต่อมานางกาลีก็ตื่นสายกว่าทุกวันแม่หญิงเทหิกาก็ด่านางเหมือนเดิมโกรธยิ่งขึ้นไม่พอใจแผ่เสียงด้วยความขุนเคืองลำดับนั้นนางกาลีได้คิดลองใจในายหญิงให้ยิ่งขึ้นไปอีก จึงตื่นสายกว่าทุกวันอีกครั้งนั้นเวเทหิการ้องตวา ด, ด่านางกาลีร้อมถามว่าทําไมถึงตื่นสายนางกาลีก็ยังตอบอีกว่าไม่มีอะไรนางจึงด่านางกาลีว่าเป็นนางชาติชั่วแล้วโกรธ จ, จัดขวาริมประตูกว้างศีสับปากก็ด่าว่าข้าจะตีหัวเองให้แตกคราวนั้นนางกาลีหัวแตก มีเลือดไหลโชคเที่ยวโพลธ น, นาแก่คนบ้านใกล้เรือนเคียงขอให้ดูการกระทําของคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นที่โกรธหญิงรับใช้อย่างตนว่าตื่นสายจึงด่าและคว้าลิ่มประตูกว้างศรีรษะของสาวใช้อย่างฆ่าจนแปกภิสษุน์ทั้งหลายตั้งแต่นั้นมากิตติศัพท์อันชั่วช้าของหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาก็ขอจรไปอย่างนี้ว่า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 อดทนได้ไม่โกรธพึงทราบว่าเธอเป็นผู้เรียบร้อยเจียมตนและใจเย็นภิกษุที่ทําตนเป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาส น, นะและกีฬานัจจัยเพสัชบริขารเราไม่เรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้น เมื่อไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขิลานปัจจัยเภสัชบริขารนั้นก็จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายไม่ถึงความเป็นผู้ว่าง่ายแต่ภิกษุผู้สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรมะเป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเราเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลาย ควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรมะจักเป็นผู้ว่าง่ายจักถึงความเป็นผู้ว่าง่ายภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลาย5ประการนี้คือหนึ่งพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควร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 จะพึงพูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามจะพึงพูดคาที่อ่อนหวานหรืออยากคายก็ตามจะพึงพูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ก็ตามจะพึงมีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดก็ตามในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสําเนียกอยางนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบ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 เธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราะจะทําแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินเขาขุดลงตรงที่นั้นโกยเศษดินทิ้งลงไปในที่นั้นบ้วนน้ําลายลงไปในที่นั้นถ่ายปัสสาวะรดลงไปในที่นั้น แล้วพูดสัมทัพว่าเอ็งอย่าเป็นแผ่นดินเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงทำแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรถ้าแต่พระองค์พูดเจริญเพราะแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณมิได้เขาจะทำแผ่นดินใหญ่นั้นไม่ให้เป็นแผ่นดินไม่ได้ง่าย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 เธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้ทำใจให้ว่างเหมือนอากาศภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาครั่งสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงเลือดนกมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเรอจักเขียนรูปในอากาศนี้ทําให้เป็นรูปปรากฏเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นจะเขียนรูปในอากาศนี้ทําให้เป็นรูปปรากฏได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอากาศนี้ไม่มีรูปร่างชี้ให้เห็นไม่ได้เขาจะเขียนรูปในอากาศนั้นทําให้เป็นรูปปรากฏไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องเนหน็ดเหน่อยลําบากใจเสียเปล่าเป็นแน่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 เราจะแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพ่บูรณ์เสมอด้วยอากาศเป็นมหาศจรรยไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์ทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียด้วยอาการดังกล่าวมานี้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 ด้วยคบญาที่ลุกเพลิงแล้วได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่ลึกสุดประมาณเขาจะทำแม่น้ำคงคานั้นให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบญาที่ลุกโผลงแล้วไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจซสเปล่าเป็นแน่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 อันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้โอวาทอุปมาด้วยเลื่อยภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทรามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจร น, นั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคาสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นแม้ในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียออย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจกไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจกอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะ เราจะแผ่เมตตาไปให้บุคคล น, นั้นอยู่และเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพยบูรเป็นมหคกตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกมูเหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายกวนสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายควรมนานัติการถึงโอวาทซึ่งมีอุปมาด้วยเรื่อนี้หนึ่งเนืองเถิดเธอทั้งหลายเห็นวิธีพูดที่มีโทษน้อยหรือมีโทษมากที่เธอทั้งหลายอดกลั้นไม่ได้หรือไม่ภิษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลาย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 กัจจจุปมาสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง